อนุปาทารูป646รูปที่มีเป็นอุปาทายรูปนั้นเป็นไฉนะิโพัพายตนะและอาโปธาตโพัพายตนะหกรรูปที่เป็นโพธพายตนะนั้นเป็นไฉนะปัตวีธาตเตโชธาติวายโธาตที่แข็งอ่อนละเอียดหยาบมีสัมผัสเป็นสุขมีสัมผัสเป็นทุกข์ หนักเบาสัตว์นี้เคยถูกต้องกําลังถูกต้องจักถูกต้องหรือพึงถูกต้องโพธพะใดที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ด้วยกายประสาทที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้นี้ชื่อว่าโพธพะบ้างโพธพายตนะบ้างโพธพธาตุบ้างรูปนี้ชื่อว่าเป็นโพธพายตนะหกรรูปที่เป็นโพธพายตนะนั้นเป็นฉันย์ปฐวีชาติ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 6กรรูปที่เป็นโพธพาย e ตนะนั้นเป็นไฉนิปธวีธาตเตโชธาตวาโยธาตที่แข็งอละเอียดหยาบมีสัมผัสเป็นสุขมีสัมผัสเป็นทุกข์หนักเบาโพธพะใดที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้เคยกระทบกําลังกระทบจักกระทบหรือพึงกระทบที่กายประสาทที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้นี้ชื่อว่าโพธพะบ้าง โธพธพายตนะบ้างโธพธพธาตุบ้างรูปนี้ชื่อว่าเป็นโธพธพายตนะหกรรูปที่เป็นโพัพายตนะนั้นเป็นไฉนปฏวีธาติตโชธาตุวาโยธาตที่แข็งอ่อนละเอียดหยาบมีสัมผัสเป็นสุขมีสัมผัสเป็นทุกข์หนักเบาเพราะปรารบโธพธพะใดกายสัมผัสอาศัยกายประสาทรูปเคยเกิดกําลังเกิดจะเกิดหรือพึงเกิด เพราะปราลบโภถภะใดเวทนาที่เกิดแต่กายสัมผัสสัญญาเจตนากายวิญญาณอาศัยกายประสาทเคยเกิดกำลังเกิดจะเกิดหรือพึงเกิดกายสัมผัสมีโพภถภะใดเป็นอารมณ์อาศัยกายประสาทเคยเกิดกำลังเกิดจะเกิดหรือพึงเกิดเวทนาที่เกิดแต่กายสัมผัสสัญญาเจตนากายวิญญาณมีโภถภะใดเป็นอารมณ์ อาศัยกายประสาทเคยเกิดกำลังเกิดจากเกิดหรือพึงเกิดนี้ชื่อว่าโพธะพระบ้งางโพธะพายตนะบ้างโพธะพรธาตุบ้างรูปนี้ชื่อว่าเป็นโพธะพายตนะอาโปธาตุหกรรูปที่เป็นอาโปธาตุนั้นเป็นไฉไรความเอิบอาบธรรมชาติที่เออบาบความเหนียวธรรมชาติที่เหนียวธรรมชาติเป็นเครื่องเกาะกุมรูปรูปนี้ชื่อว่าเป็นอาโปธาตุ รูปนี้ชื่อว่าไม่เป็นปุปาธายรูปอุปาทินรูป652รูปที่การมันประกอบด้วยตัญหาและทิฏฐิยึดถือนั้นเป็นฉไนจะขายยตนะโสตายตนะคานายตนะชิวหายตนะกายายตนะอิทิน4ีปุริสินสีและชีวิ ต, ติน4ีหรือรูปแม้อื่นมีอยู่ ได้แก่รูปายตนะคันทายตนะรสายตนะโพธพายตนะอากาศสะทตดอาโปทัดอุปัจเยรูปสันตติรูปและกวลิงการาหานอันกรรมแต่งขึ้นรูปนี้ชื่อว่ากามันประกอบด้วยตันหาและทิฏฐิยึดถืออนุปาทินารูป653รูปที่กามันประกอบด้วยตันหาและทิฏฐิไม่ยึดถือนั้นเป็นชไหนะ สัธายตนะกายวิญัตวจีวิญัตและหุตารูปมุทุตารูปกรรมัญญตารูปชรตารูปและอนิจจตารูปหรือรูปแม้อื่นมีอยู่ได้แก่รูปายตนะคันทายตนะรัสายตนะโพธพายตนะอากาศธาตุอาโปธาตุอุปจจยารูปสันติรูปและกวลิงการาหันอันกมไม่ได้แต่งขึ้น รูปนี้ชื่อว่าการมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถืออุปาทินุปาธานียรูป654รูปที่การมันประกอบด้วยตัณหาทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานนั้นเป็นฉนะไหนจะขายะตนะกายยตนะอิตินรีปุริสินรีและชีวิตินรีหรือรูปแม่อื่นมีอยู่ได้แก่รูปายตนะคันทายตนะ รส า, ายานะโพธพายตนะอากาศธาตุอาโปธาตุอุปัจียรูปสันติรูปและกัวริงการาหาันอันกรรมแต่งขึ้นรูปนี้ชื่อว่ากรรมอันประกอบด้วยตัณหาทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานอนุปาทินุปาทานิยรูป655รูปที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานนั้นเป็นฉไหนะ สัทธายตนะกายวิญยัติปจีวิญยัตละหุตารูปมุทุตารูปกามัญญตารูปชรตารูปและอนิจจตารูปหรือรูปแม้อื่นมีอยู่ได้แก่รูปายตนะคันทายตนะรสายตนะโพธพายตนะอากาศสาัทธาอโปธาตอุปัจยรูปสันตติรูปและกวลิงการอาหารหมายถึงอาหารคือคําข้าว อันกรรมไม่ได้แต่งขึ้นรูปนี้ชื่อว่ากรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานสนิทัสนารูปหกรรูปที่เห็นได้นั้นเป็นไนะรูปายรูปรูปนี้ชื่อว่าเห็นได้อานิทัสนารูป657รูปที่เห็นไม่ได้นั้นเป็นไนะจักขายยะชนะ กัลวิงการาหานรูปนี้ชื่อว่าเห็นไม่ได้สัปติครูป658สรูปที่กระทบได้นั้นเป็นฉไนจักขายตนะโสตายตนะคานายตนะชิวหายตนะกายายตนะรูปายตนะสัทธายตนะคันทายตนะรสายตนะและโพธพายตนะรูปนี้ชื่อว่ากระทบได้อัปติครูป หกรรูปที่กระทบไม่ได้นั้นเป็นชไหนอิทธินีกวลิงการาหานรูปนี้ชื่อว่ากระทบไม่ได้อินทเรียรูป6กรรูปที่เป็นอินทรีย์นั้นเป็นชไหนจากขุนสีโสตินีคาณินีชิวหินีกายินีอิทธินีปุริสินีและชีวิตินีรูปนี้ชื่อว่าเป็นอินทรีอันอินเทเริยรูป 661รูปที่ไม่เป็นอินทรีย์นั้นเป็นไนะรู ป, ปายตนะกวลิงการาหารรูปนี้ชื่อว่าไม่เป็นอินทรีย์มหาภูต ร, รูป6กรรูปที่เป็นมหาภูต ร, รูปนั้นเป็นไนหะดทพายตนะและอาโปธาตรูปนี้ชื่อว่าเป็นมหาภูต ร, รูปนะัมหาภูต ร, รูป 6กรรูปที่ไม่เป็นมหาภูตรูปนั้นเป็นฉไนจักขายตนากรวิงการาหารรูปนี้ชื่อว่าไม่เป็นมหาภูตรูปวิญญัติรูป664รูปที่เป็นวิญญัติรูปนั้นเป็นฉไนกายวิญัติและวจีวิญญัตรูปนี้ชื่อว่าเป็นวิญญัติรูปนวิญญัติรูปหกร้อห รูปที่ไม่เป็นวิญญาติรูปนั้นเป็นไนจักขายตนะกวลิงการาหารรูปนี้ชื่อว่าไม่เป็นวิญญาติรูปจิตตสมุทฐานรูป666รูปที่มีจิตเป็นสมุทฐานนั้นเป็นไนกายวิญญตเรวจีวิญญาตหรือรูปแม้อื่นมีอยู่ที่เกิดแต่จิตมีจิตเป็นเหตุมีจิตเป็นสมุทฐาน ได้แก่รูปายตนะสัายตนะคันทายตนะรสายตนะโพธพายตนะอาก า, าศธาตุอาโปธาตุและหุตารูปมุตตารูปกัมมัญตารูปอุปัจจยรูปสันตติรูปและกะัวะลิงการาหารรูปนี้ชื่อว่ามีจิตเป็นสมุทฐานนาจิตตสมุทฐานหนารูปหกพร้อยรูปที่ไม่มีจิตเป็นสมุทฐานนั้นเป็นชนะ จกขายยตนะกายายตานะอิทธินีปุริสินีชีวิตินีชรตารูปและอนิจจตารูปหรือรูปแม้อื่นมีอยู่ที่ไม่เกิดจากจิตไม่มีจิตเป็นเหตุไม่มีจิตเป็นสมุดฐานได้แก่รูปายตานาะศัทธายตานะคันธายตานะรส า, ายตานะโพัพาายตานะอากาศธาตุอาโปธาตุลาหุตารูปมุตุตารูปกามัญตารูปอุปัจจรูปสันติรูป และกวลิงการาหารรูปนี้ชื่อว่าไม่มีจิตเป็นสมุทฐานจิตตสหภูรูป6กรรูปที่เกิดพร้อมกับจิตนั้นเป็นไฉไรกายวิญยัตและวจีวิญยัตรรูปนี้ชื่อว่าเกิดพร้อมกับจิตนจิตตสหภูรูป6กรรูปที่ไม่เกิดพร้อมกับจิตนั้นเป็นไฉไรจักขายตนะกวลิงการาหารรูปนี้ชื่อว่าไม่เกิดพร้อมกับจิต จิตตานุปริวัติรูป670รูปที่เป็นไปตามจิตนั้นเป็นไฉไรกายวิ ญ, ญตัติและว่าจีวิญญัติรูปนี้ชื่อว่าเป็นไปตามจิตณจิตตานุปริวัติรูป671รูปที่ไม่เป็นไปตามจิตนั้นเป็นไฉไรจกักขายญาณกวลิงการาหารรูปนี้ชื่อว่าไม่เป็นไปตามจิตอัจติกรูปหกรรูปที่เป็นภายในนั้นเป็นไฉไร จักขายัตนะกายายัตนะรูปนี้ชื่อว่าเป็นภายในพาหิระรูปหกรรูปที่เป็นภายนอกนั้นเป็นฉไนรูปปายรูปกบริงการาหารรูปรูปนี้ชื่อว่าเป็นภายนอกโอลาริกรูปหกรรูปหยาบนั้นเป็นฉไนจักขายัตนะโพัพาหยาตรูปนี้ชื่อว่ารูปหยาบสุขคุมรูป หกรรูปละเอียดนั้นเป็นไฉอิ us ทธินีกบาลิงการาหารรูปนี้ชื่อว่ารูปละเอียดทูเรรูป676รูปไกรนั้นเป็นไฉอิทธินสีกบาลิงการาหารรูปนี้ชื่อว่ารูปไกรสตติเกรูป677รูปไกล้นั้นเป็นไฉจักขายตนะโพธพายตนะรูปนี้ชื่อว่ารูปไกร ปกินนกะทุกกะจบวัตถุทุกกะ78รูปเป็นที่อาศัยเกิดของจักขูสัมผัสนั้นเป็นฉนจักขายตนะรูปนี้ชื่อว่าเป็นที่อาศัยของจักขูปสัมผัสเกิดหกรเดรูปไม่เป็นที่อาศัยเกิดของจักขูสัมผัสนั้นเป็นฉนโสตายตนะกวริงการาหารรูปนี้ชื่อว่าไม่เป็นที่อาศัยของจักขูสัมผัส 680รูปเป็นที่อาศัยเกิดของเวทนาที่เกิดแต่จากขุสัมผัสของสัญญาของเจตนาขอ ง, ina, ขอ ง, ของ ơi, จักขุวิญญาณนั้นเป็นไฉไนจักขายจรณารูปนี้ชื่อว่าเป็นที่อาศัยเกิดของจักขุวิญญาณ681รูปไม่เป็นที่อาศัยเกิดของจักขุวิญญาณนั้นเป็นไฉไรโสตายตรนกวลิงการหานรูป mm. นี pandemic, ้ช we ื่อว่าไม่เป็นที่อาศัยเกิดของจักขุวิญญาณท่า 681รูปไม่เป็นที่อาศัยเกิดของจกักรุปัญญาณนั้นเป็นฉไนสโสตายตนะกบาลิงการาหาน ร, รูปนี้ชื่อว่าไม่เป็นที่อาศัยเกิดของจกักรุปัญญาณ682รูปเป็นที่อาศัยเกิดของโสตสัมผัสของขานสัมผัสของชิวหาสัมผัสของกายสัมผัสนั้นเป็นฉไนกายายตนะรูปนี้ชื่อว่าเป็นที่อาศัยเกิดของกายสัมผัส 683รูปไม่เป็นที่อาศัยเกิดของกายสัมผัสนั้นเป็นไฉไรจักขายะตนะกวลิงการาหาน ร, รูปนี้ชื่อว่าไม่เป็นที่อาศัยเกิดของกายะสัมผัส6 8ร้รูปเป็นที่อาศัยเกิดของเวทนาที่เกิดแต่กายะสัมผัสของสัญญาของเจตนาของกายวิญญาณนั้นเป็นไฉไรกายายะตนะรูปนี้ชื่อว่าเป็นที่อาศัยเกิดของกายวิญญาณ 6 8รรูปไม่เป็นที่อาศัยเกิดของกายวิญญาณนั้นเป็นชไนจักขายตนะกาวาลิงการาหารรูปนี้ชื่อว่าไม่เป็นที่อาศัยเกิดของกายวิญญาณวัตถุทุกะจบอารามณทุกกะ 686. รูปที่เป็นอารมณ์ของจักขุสัมผัสนั้นเป็นชไนรูปายตนะรูปนี้ชื่อว่าเป็นอารมณ์ของจักขุสัมผัส 687รูปที่ไม่เป็นอารมณ์ของจักขุสัมผัสนั้นเป็นไฉไหนจักขายตนะกวริงการาหาน ร, รูปนี้ชื่อว่าไม่เป็นอารมณ์ของจักขุสัมผสัสห8รรูปที่เป็นอารมณ์ของเวทนาที่เกิดแต่จักขุสัมผสัสของสัญญาของเจตนาของจักขุวิญญาณนั้นเป็นไฉไหนรูปายตนะรูปนี้ชื่อว่าเป็นอารมณ์ของจักขุวิญญาณ 6 8รรูปที่ไม่เป็นอารมณ์ของจักขุวิญญาณนั้นเป็นชไหนจักขายตนะกบริงการาหารรูปนี้ชื่อว่าไม่เป็นอารมณ์ของจักขุวิญญาณ690รูปที่เป็นอารมณ์ของโสตสัมผัสของคานาสัมผัสของชิวหาสัมผัสของกายสัมผัสนั้นเป็นชไหนโพธพายตนะรูปนี้ชื่อว่าเป็นอารมณ์ของกายสัมผัส 6 9รรูปที่ไม่เป็นอารมณ์ของกายสัมผัสนั้นเป็นไฉไหนะจักขายยตนะกวลิงการาหาน ร, รูปนี้ชื่อว่าไม่เป็นอารมณ์ของกายสัมผัส692รูปที่เป็นอารมณ์ของเวทานาที่เกิดแต่กายสัมผัสของสัญญาของเจตนาของกายวิญญาณนั้นเป็นไฉหนะโพธพายตนะรูปนี้ชื่อว่าเป็นอารมณ์ของกายวิญญาณ 693รูปที่ไม่เป็นอารมณ์ของกายวิญญาณ น, นั้นเป็นไนจักขายตนะกบาลิงการาหารันรูปนี้ชื่อว่าไม่เป็นอารมณ์ของกายวิญญาณอารัมณะทุกกะจบอายตนะทุกกะหกรรูปที่เป็นจักขายตนะนั้นเป็นไนจักสุใดเป็นภาษาทรูปอาศัยมหาภูตรูปสี่ นี้ชื่อว่าบ้านวางบ้างรูปนี้ชื่อว่าเป็นจักขายตนะ695รูปที่ไม่เป็นจักขายตนะนั้นเป็นไนโสตายตนะกวลิงการาหานรูปนี้ช ah ื่อว่าไม่เป็นจักขายตนะหกร้รูปที่เป็นโสตายตนะเป็นคานายตนะเป็นชิวหายตนะเป็นกายายตนะนั้นเป็นไนกายใดเป็นภาษาทรูป อาศัยมหาภูตรูปสนี้ชื่อว่าบ้านว่างบ้างรูปนี้ชื่อว่าเป็นกายายตนะ697รูปที่ไม่เป็นกายายตนะนั้นเป็นฉไหนะจักขายตนะกวาลิงการาหารรูปนี้ชื่อว่าไม่เป็นกายายตนะ698รูปที่เป็นบูปายตนะนั้นเป็นฉไหนะรูปใดเป็นสีต่างๆอาศัยมหาภูตรูปสี่ นี้ชื่อว่ารูปธาตุบ้างรูปนี้ชื่อว่าเป็นรูปายตนะห9รรูปที่ไม่เป็นรูปายตนะนั้นเป็นไนจะขายยตนะกวลิงการาหารรูปนี้ชื่อว่าไม่เป็นรูปายตนะ700รูปที่เป็นสทายตนะเป็นคันทายตนะเป็นรษายตนะเป็นโพธพายตนะนั้นเป็นไน ปฐวีาธาตุนี้ชื่อว่าโพธพธาตุบางรูปนี้ชื่อว่าเป็นโพธพายาตนะเจ็รเอดรูปที่ไม่เป็นโพธพายาตนะนั้นเป็นไนจักขายาตนะกวลิงการาหาน ร, รูปนี้ชื่อว่าไม่เป็นโพธพายตนะอายตนะทุกกะจบธาตุทุกกะเ2รูปที่เป็นจักขุธาตุนั้นเป็นไน จักขายตนะรูปนี้ชื่อว่าเป็นจักขู่ธาตุเจ3รูปที่ไม่เป็นจักขุ่ธาตุนั้นเป็นฉนัยโสตยตนะกบาลิงการาหารรูปนี้ชื่อว่าไม่เป็นจักขู่ธาตุเรูปที่เป็นโสตธาตุเป็นคาณาธาตุเป็นชิวหาธาตุเป็นกายธาตุนั้นเป็นฉนหนกายยตนะรูปนี้ชื่อว่าเป็นกายธาตุ เจ็รหรูปที่ไม่เป็นกายธาตุนั้นเป็นไนจักขายตนะกวลิงกราหานรูปนี้ชื่อว่าไม่เป็นกายธาตุเจ็รูปที่เป็นรูปธาตุนั้นเป็นไนรูปายตนะรูปนี้ชื่อว่าเป็นรูปธาตุเจ็รเจรูปที่ไม่เป็นรูปธาตุนั้นเป็นไน จักขายาตนะกาบาลิงการาหารรูปนี้ชื่อว่าไม่เป็นรูปปทธาเจ็ดร้รูปที่เป็นสัท ธ, ธาตเป็นคันธาตเป็นรัสธาเป็นโพธพธาตานั้นเป็นไฉนะโพธพายตนะรูปนี้ชื่อว่าเป็นโพธพธาตเจ็ดรรูปที่ไม่เป็นโพธพธาตานั้นเป็นไฉนะ จักขายตะตะนักวลิงการาหารรูปนี้ชื่อว่าไม่เป็นโพธพธาตุธาตุทุกกะจบอินทรียทุกกะเจ็รอยสิบรูปที่เป็นจักขุนสี่นั้นเป็นฉไนะจักสุใดเป็นภาษาทรูปอาศัยมหาภูต ร, รูปสี่นี้ชื่อว่าบ้านว่างบ้างรูปนี้ชื่อว่าเป็นจักขุนสี่เจ็รอยสิบเอรูปที่ไม่เป็นจักขุนสี่นั้นเป็นฉไนะ โสตายตนะกวลิงการาหานรูปนี้ชื่อว่าไม่เป็นจากขุนสี่ 7- 12. รูปที่เป็นโสตินรีเป็นคาอินรีเป็นชิวหินสีเป็นกายินรีนั้นเป็นฉไนกายใดเป็นภาษาทธรูปอาศัยมหาภูตรูปสีนี้ชื่อว่าบ้านว่างบ้างรูปนี้ชื่อว่าเป็นกายินศีร้ยสิบสรูปที่ไม่เป็นกายินรีนั้นเป็นฉไน จักขายาตนากวาลิงการาหาน ร, รูปนี้ชื่อว่าไม่เป็นกายินสีเจ็ดร้อยสิบสีรูปที่เป็นอิทถินรียนั้นเป็นไฉไนะสวดทรงหญิงเครื่องหมายประจําเพศหญิงกิริยาหญิงอาการหญิงสภาพหญิงภาวะหญิงของสตรีรูปนี้ชื่อว่าเป็นอิทถินสีเจร้อยสิบห้ารูปที่ไม่เป็นอิทถินรียนั้นเป็นไฉไนะ จากขายตนะกาวลิงการาหารรูปนี้ชื่อว่าไม่เป็นอิทิสินสี่เจร้ยสิบหรูปที่เป็นปุริสินสี่นั้นเป็นไนะสวดทรงชายเครื่องหมายประจำเพศ ช, ชายกิริยาชายอาการชายสภาพชายภาวะชายของบุรุษรูปนี้ชื่อว่าเป็นปุริสินสี่เจรยสเจรูปที่ไม่เป็นปุริสินสี่นั้นเป็นไนะ จักขายัตนะกบาลิงการาหารันรูปนี้ชื่อว่าไม่เป็นปุริสินสีเจ็รยรูปที่เป็นชีวิ ต, ตินรีนั้นเป็นไนะอายุความดำรงอยู่ความเป็นไปกิริยาที่ให้เป็นไปอาการที่สืบเนื่องกันความดำเนินไปความหล่อเลี้ยงชีวิตชีวิติตตนรีแห่งสภาวธรรมที่เป็นรูปเหล่านั้นรูปนี้ชื่อว่าเป็นชีวิ ต, ตินรี 719รูปที่ไม่เป็นชีวิตินทรสีนั้นเป็นฉไนจักขายัตนะกวลิงการาหารรูปนี้ชื่อว่าไม่เป็นชีวิตินทรสี่อินทริยทุกกะจบสุขุมรูปะทุกกะ720รูปที่เป็นกายวิญยัตนั้นเป็นฉไนความเข้มแข็งกิริยาที่เข้มแข็งด้วยดีภาวะที่เข้มแข็งด้วยดี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 721รูปที่ไม่เป็นกายวิ ญ, ญัต์นั้นเป็นไนะจักขายะตนักวาลิงการาหาน ร, รูปนี้ชื่อว่าไม่เป็นกายวิญญัติ722รูปที่เป็นวจีวิ ญ, ญัตินั้นเป็นไนะการพูดการเปล่งวาจาการเจรจาการกล่าวการเป่าร้องการโฆษณาวาจาวจีเพศ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 รูปนี้ชื่อว่าไม่เป็นวจีวิญญาต724รูปที่เป็นอากาศธาตุนั้นเป็นฉไนอากาศธรรมชาติที่นับว่าอากาศความว่างเปล่าธรรมชาติที่นับว่าว่างเปล่าช่องว่างธรรมชาติที่นับว่าช่องว่างซึ่งมหาภูตรูปตีถูกต้องไม่ได้รูปนี้ชื่อว่าเป็นอากาศธาตุ725รูปที่ไม่เป็นอากาศธาตุนั้นเป็นฉไน จักขายัตนะกบาลิงการาหารรูปนี้ชื่อว่าไม่เป็นอากาศาธาตุเจ็รูปที่เป็นอาโปธาตุนั้นเป็นฉไนความเอิบอาบธรรมชาติที่เอิบอาบความเหนียวธรรมชาติที่เหนียวธรรมชาติเป็นเครื่องเกาะกุมรูปรูปนี้ชื่อว่าเป็นอาโปธาตุเจ็รูปที่ไม่เป็นอาโปธาตุนั้นเป็นฉไน จักขายัตนะกวลิงการาหารรูปนี้ชื่อว่าไม่เป็นอาโปธาเจ็ดรรูปที่เป็นละหุตารูปนั้นเป็นฉไนความเบาความรวดเร็วความไม่เชื่องช้าความไม่หนักแห่งรูปรูปนี้ชื่อว่าเป็นละหุตารูป729รูปที่ไม่เป็นละหุตารูปนั้นเป็นฉไนจักขายัตนะกวลิงการาหารรูปนี้ชื่อว่าไม่เป็นละหุตารูป เจ็รูปที่เป็นมุทุตารูปนั้นเป็นไฉไรความอ่อนภาวะที่อ่อนความไม่แข็งความไม่กระด้างแห่งรูปรูปนี้ชื่อว่าเป็นมุทุตารูป7 3็รูปที่ไม่เป็นมุทุตารูปนั้นเป็นไฉไรจักขายาณะกวาลิงการาหารรูปนี้ชื่อว่าไม่เป็นมุทุตารูป 732. รูปที่เป็นกรรมัญญตารูปนั้นเป็นฉะไหนความควรแก่การงานกิริยาที่ควรแก่การงานภาวะที่ควรแก่การงานแห่งรูปรูปนี้ชื่อว่าเป็นกรรมัญญตารูป 733. รูปที่ไม่เป็นกรรมัญญตารูปนั้นเป็นฉะไหนจักขายตนะกาวลิงการาหารรูปนี้ชื่อว่าไม่เป็นกรรมัญญตารูป 734. ม รูปที่เป็นอุปัจจะยรูปนั้นเป็นไนความแรกเกิดแห่งอายตนะนั้นเป็นความเกิดแห่งรูปรูปนี้ชื่อว่าเป็นอุปัจจะเยรูป735ร้ารูปที่ไม่เป็นอุปัจจะยรูปนั้นเป็นไนจากขายายตนะกวบาิงการาหารรูปนี้ชื่อว่าไม่เป็นอุปัจจะเยรูป736รารูปที่เป็นสันติรูปนั้นเป็นไน ความเจริญแห่งรูปนั้นเป็นความสืบต่อแห่งรูปรูปนี้ชื่อว่าเป็นสันตติรูป737รูปที่ไม่เป็นสันตติรูปนั้นเป็นไฉไหนจักขายตนะกวรลิงการาหารรูปนี้ชื่อว่าไม่เป็นสันตติรูป738รูปที่เป็นชรตารูปนั้นเป็นไฉไหนความชราความคร่ำคร่ความมีฟันหลุดความมีผมงอก ความมีหนังเหี่ยวความเสื่อมอายุความง่อมแห่งอินทรีย์แห่งรูปรูปนี้ชื่อว่าเป็นชรตารูป739รูปที่ไม่เป็นชรตารูปนั้นเป็นไนะจากขายตนะกวลิงการาหารรูปนี้ชื่อว่าไม่เป็นชรตารูป740รูปที่เป็นอนิจจารูปนั้นเป็นไนะความสิ้นไปความเสื่อมไปความแตกความทําลายความไม่เที่ยง ความอันตรธานแห่งรูปรูปนี้ชื่อว่าเป็นอนิจจตารูป741รูปที่ไม่เป็นอนิจจารูปนั้นเป็นฉไนจักขายาตนะกบริงการาหารรูปนี้ชื่อว่าไม่เป็นอนิจจารูป742รูปที่เป็นกบาลิงก า, าหารนั้นเป็นฉไนเข้าสุก ข, ขนมสดขนมแห้งปลาเนื้อนมสดเนยใสเนยข้น น้ำมันน้ำพึ่งน้ำอ้อยหรือรูปแม้อื่นมีอยู่ที่พึงกินทางปากขบเคี้ยวกลืนกินอิ่มท้องซึ่งมีโอชาเป็นเหตุให้สัตว์ในสถานที่นั้นๆดำรงชีพยอยู่ได้รูปนี้ชื่อว่าเป็นกะวะลิงการาหารเจ็ 43, รูปที่ไม่เป็นกะวะลิงการาหารนั้นเป็นไฉนาจากขายตนะอนิจจตารูปรูปนี้ชื่อว่าไม่เป็นกะวะลิงการาหาร สุขุมารูปัตถุกะจบรวมรูปหมวดละสองอย่างนี้ทุกกะนิเทศ